ตอนที่สิบความบริสุทธิ์ของจิตเป็นมาตรฐานการวัดระดับความดีในโลกทิพย์หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้แล้วความรู้สึกประการแรกที่ได้รับก็คือความรู้สึกเป็นสุขอย่างเหลือล้นที่ได้ภาคจากกายเนื้ออันประกอบด้วยทุกขเวทนามาเสียได้แต่ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็รู้สึกถึงความเศร้าสลด ของบรรดาผู้ที่รักษาพยาบาลข้าพเจ้าอยู่ในห้องนั้นตลอดจนถึงผู้เทิดาทราบข่าวว่าข้าพเจ้าได้จากพวกเขาไปแล้วซึ่งเขาได้สมมติว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ตายจากเขาไปแล้วความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อข้าพเจ้าเช่นนี้ได้ทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าทำไมเขาเหล่านั้นจึงต้องมาเศร้าโศกแทนข้าพเจ้า ในเมื่อในขณะนี้ขณะที่กล่าวนั้นข้าพเจ้ามีความสุขอย่างเหลือล้นอย่างไม่เคยมีมาแต่ก่อนเลยแม่อีดวินก็ได้บอกกับข้าพเจ้าว่าในไม่ช้าความรู้สึกของชาวโลกมนุษย์เช่นนี้จะค่อยๆหายไปเองและในที่สุดเขาก็จะลืมข้าพเจ้าเสียสนิทเช่นเดียวกันกับที่เขาได้ลืมใครๆมาแล้วมากต่อมากไม่ว่าผู้ที่จากไปนั้น จะเป็นผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงมีความสำคัญหรือมีความกว้างขวางเป็นที่รักชอบพอเพียงใดก็ตามข้าพเจ้าเองไม่ได้เคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายนักแต่ก็ได้พยายามทำความดีไว้ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เท่าที่พอจะทำได้การที่กายชิดของข้าพเจ้าพรากจากกายเมื้อมาได้ก็เป็นไปอย่างสงบไม่ทุรนทุรายอย่างใด การที่ข้าพเจ้าจากโลกมาก็ไม่ทำให้ตนเองเกิดความอะไรหรือเสียดายเท่าใดนักข้าพเจ้าไม่มีสิ่งผูกพันอย่างอื่นนอกจากการงานเท่านั้นเรื่องนี้เอ็ดวินได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีบุญมากเขาได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีบุคคลไป็นจำนนมากที่กว่ากายที่จะพลากจากกายเนื้อออกมาได้ก็ต้องได้รับความทุกข์ทรมานมากมายเหลือแสน และยิ่งกว่านั้นเมื่อเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้แล้วก็ยังมีความทุกข์ร้อนมากขึ้นไปอีกมีหลายต่อหลายรายเละเกินที่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้เคยเป็นคนใหญ่คนโตมีผู้คนยกย่องนับถืออย่างมากมายแต่เมื่อมาสู่ที่นี้แล้วกลับรู้สึกว่าตนเองด้อยและหมดค่าลงไปแทบไม่มีอะไรเหลือเลยในทํานองเดียวกัน ก็มีหลายต่อหลายรายที่เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้ต่ำต้อยและอาภัพเสียเหลือประมาณแต่เมื่อมาสู่สถานที่นี้แล้วกลับรู้สึกว่ามีผู้นิยมนับถือยกย่องเป็นอย่างสูงจนกระทั่งตนเองก็เกือบจะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นณนะที่นี้ประวัติความสูงต่ำของบุคคลกันด้วยความบริสุทธิ์แห่งจิต ของผู้นั้นๆอย่างเดียวในโลกมนุษย์มีผู้พยายามไขปัญหาความลี้ลับของชีวิตอยู่มากมายด้วยกันเขาเหล่านั้นพยายามตั้งสมมติฐานและสร้างทฤษฎีแปลกๆต่างๆกันซึ่งบางคราวก็ได้รับความนิยมนับถือเป็นอย่างมากแต่ความจริงแล้วไม่มีสาระอย่างใดเลยและไกลต่อสภาพความเป็นจริงอย่างที่สุด ส่วนบุคคลบางจำพวกก็ถือเสว่าการคิดในเรื่องเช่นนี้เป็นของไรประโยชน์เพราะถือเสว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการจะให้รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากไปกว่าเท่าที่รู้อยู่ในขณะนั้นแล้วเขาก็ไม่พยายามเข้าใจความลี้ลับของชีวิตหรือศึกษาเรื่องความเป็นไปและเรื่องจิตใจเอาเสียเลยบุคคลสองจพวกนี้ เชื่อว่ามีความเห็นสุดโต่งทั้งสองทางพวกนี้เมื่อมารู้ความจริงเข้าในภายหลังก็จะได้รับความประหลาดใจและตกใจอย่างที่เรียกว่าเกือบจะต้องตายไปอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวภาวะความเป็นไปของพวกเราในโลกทิพย์นี้ไม่มีซับซ้อนและยุ่งเหยิงดังเช่นภาวะของโลกมนุษย์นั่นเลยหลายต่อหลายอย่างมากลายเป็นของง่าย เสียจนแทบคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นเพราะในที่นี้เราไม่ต้องผจญกับปัญหาต่างๆที่ทำให้ชาวโลกมนุษย์ต้องประสบความอึดอัดขัดข้องและวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเช่นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาและการเมืองซึ่งได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่แก่โลกมนุษย์ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ จริงอยู่ข้าพเจ้าเองก็มิใช่ว่าจะมีความรู้ไปเสหมดทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกทิพย์ข้าพเจ้าได้เคยสนทนาวิสาสะกับท่านผู้มาจากภูมิสูงขึ้นไปในบางครั้งซึ่งทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีหลายอย่างหลายประการที่ทําให้ข้าพเจ้าห่างไกลจากท่านอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยดังเช่นในเรื่องอายุเป็นต้น ระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้เกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกทิพย์นี้นั้นเมื่อเทียบกับท่านแล้วก็รู้สึกว่าเปรียบกันไม่ได้เลยนอกจากนั้นท่านยังอธิบายเรื่องต่างๆให้ข้าพเจ้าฟังอีกหลายอย่างหลายประการซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านมีความรู้ลึกซึ้งกว่าข้าพเจ้ามากมายนักทั้งนี้กล่าวเฉพาะในส่วนที่ข้าพเจ้า พอจะมีสติปัญญาเข้าใจได้เท่านั้นแน่ละยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายซึ่งระดับแห่งสติปัญญาของข้าพเจ้ายังไม่สูงพอที่จะเข้าใจได้สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าหรือผู้อื่นที่อยู่ในภูมิเดียวกันก็มีความพอใจที่จะรับเชื่อไว้ก่อนจนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่จิตของเราจะประเนีดสูงขึ้น จนถึงขนาดที่จะสามารถเข้าถึงความจริงอันสูงนั้นได้ดอกไม้และดินต่อไปนี้เพื่อสนองความต้องการของชาวโลกมนุษย์ผู้ใคร่ทราบความเป็นไปและสภาพของสิ่งต่างๆในโลกทิพย์โดยละเอียดข้าพเจ้าจะนำเรื่องต่างๆสิ่งละอันพละน้อยเท่าที่เห็นว่าสมควรมาบรรยายให้ท่านได้ทราบเป็นลาดับไปเรื่องแรกที่สุดก็คือเรื่องดิน ถ้าโลกทิพย์มีจริงจะอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าก็ได้พยายามบรรยายให้ท่านได้ทราบไปแล้วตามกำลังความสามารถปัญหาที่ควรคิดต่อไปก็คือว่าเมื่อสมมติว่าเรายอมรับเชื่อกันแล้วว่าโลกทิพย์มีจริงมีที่ตั้งอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งจริงแล้วเช่นนี้ก็น่าจะคิดต่อไปว่าโลกทิพย์ดังกล่าวนี้ประกอบด้วยวัตถุธาตุอย่างใดบ้าง พื้นดินของโลกทิพย์นี้จะเป็นพื้นดินที่แข็งหรืออ่อนผิดการรื่อเหมือน ก, นกันกับโลกมนุษย์สักแค่ไหนก่อนที่จะบรรยายให้ท่านทราบถึงลักษณะของพื้นดินในโลกทิพย์ต้องขอให้ท่านทั้งหลายเลิกคิดตามทัศนะของชาวโลกมนุษย์เสียก่อนก่อนอื่นใครขอบอกให้ท่านทราบว่าในดินแดนเช่นนี้ไม่มีถนนเหมือนอย่างถนนของโลกมนุษย์ เรามีทางเดินกว้างขวางทั้งในเขียนเมืองหรือนอกเมืองทั่วไปหมดทุกขนทุกแห่งแต่ทางเหล่านี้ไม่ได้ปูลาดด้วยวัตถุที่แข็งเพื่อทำให้ทนทานสามารถรับน้าหนักของการจราจรด้วยยวดยานต่างๆได้เหมือนดังที่เป็นอยู่ในโลกมนุษย์เนื่องจากเราไม่มีการจราจรโดยยวดยานหนักๆเช่นนั้น ทางหรือถนนของเราจึงปูลาดด้วยหญ้าสีเขียวสดชื่นที่สุดและหนาแน่นที่สุดตลอดเวลาที่เราเดินไปจะรู้สึกอ่อนนุ่มเหมือนกับเดินไปบนพรมที่ดีที่สุดฉะนั้นนี่แหละคือลักษณะของถนนหรือทางเดินของเราอันหนึ่งหญ้าที่งอกปกคลุมพื้นถนนอยู่นั้นก็จะไม่งอกงามจนเกะกะและดูน่าเกลียดไปได้เลย มันจะคงอยู่ในขนาดที่เหมือนกับว่าได้ถูกตกแต่งไว้เป็นอย่างดีด้วยเครื่องตัดหญ้าอยู่ตลอดเวลาเชนนั้นในที่นี้ขอท่านอย่าได้เข้าใจว่าเป็นหญ้าเทียมเลยทีเดียวเพราะความจริงมันก็เป็นหญ้าที่มีชีวิตเช่นเดียวกับหญ้าในโลกมนุษย์นั้นเหมือนกันในบางแห่งเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทางอันกว้างใหญ่เช่นนั้น เราก็มีทางขนาดย่อมไว้แทนและในบางแห่งเมื่อเรารู้สึกว่าการมีทางภูลาดด้วยหญ้าเช่นนั้นจะไม่เหมาะสมหรือไม่เข้ากับภูมิประเทศเราก็มีทางชนิดอื่นตามความเหมาะสมเหมือนกันส่วนมากทางเช่นนี้ปูลาดด้วยวัตถุซึ่งเมื่อดูเผินๆก็อาจจะคล้ายๆกับหินดังเช่นในโลกมนุษย์แต่โดยเนื้อหาแล้ว ก็มีคุณสมบัติเหนือกว่ากันมากเพราะ น, นอกจากจะมีสีสดใสกว่ากันแล้วยังไม่มีความหยาบกระด้างดังเช่นหินในเมืองมนุษย์อยู่เลยเมื่อเราเดินไปบนพื้นหินเช่นนี้จะรู้สึกว่ามีคุณสมบัติยุ่นตัวได้อย่างประหลาดอันที่จริงข้าพเจ้าก็อยากจะที่บายถึงความรู้สึกของเราให้มากกว่านี้แต่ก็จนใจที่ไม่สามารถหาคาพูด มันยายให้เห็นความจริงได้เหมือนกับที่ได้ไปรู้สึกมาด้วยตนเองคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของทางปูหินเหล่านี้ก็คือตลอดเวลานานเท่านานมันจะไม่ปรากฏมีฝุ่นละอองจับเป็นคราบหรือมีสีเสียดลงไปกว่าเดิมเลยเมื่อเราเดินทางเข้าไปใกล้ภูมิที่สูงขึ้นไปคุณสมบัติของหินชั่นว่านี้ จะปรากฏลักษณะพิเศษให้เห็นยิ่งขึ้นอีกคือแม้จะเป็นของแข็งเหมือนอย่างของแข็งทั้งหลายในโลกมนุษย์ก็าตามแต่ก็จะปรากฏความอ่อนนุ่มต่อการสัมผัสมากขึ้นตลอดจนสีสันวันณะของมันก็จะสดใสเป็นเงางามยิ่งขึ้นทุกขณะในทางตรงข้ามเมื่อเราเดินไปสู่ภูมิต่ำใกล้เข้าไปทุกทีหินเช่นนี้ก็จะเปลี่ยนลักษณะเป็นแข็งกระด้าง และสีคล้ำลงทุกขณะเช่นเดียวกันรอบๆ บ, บริเวณบ้านของเราก็มีสนามหญ้าแปลงดอกไม้และม้ยืนต้นขึ้นอยู่ทั่วไปทางเดินในสวนเหล่านี้ก็จะปูลาดด้วยหินดังที่ได้กล่าวมาแล้วสำหรับดินเปล่าๆนั้นเราจะหาโอกาสเห็นได้น้อยเต็มทีเมื่อมองจากหน้าต่างบ้านของข้าพเจ้าออกไปจะได้เห็นทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม และมีบ้านตั้งอยู่ห่างๆกันในระหว่างป่าละเมาะและสวนอันน่าเพลิดเพลินจเจริญใจอย่างยิ่งนั้นไม่ปรากฏว่ามีที่ไหนที่มีแต่ดินลนโลนให้มองเห็นอยู่เลยถ้าเช่นนั้นท่านอาจจะถามว่าเราไม่สามารถเห็นลักษณะของพื้นดินได้บ้างเลยหรืออย่างไรขอตอบว่ามีเหมือนกันแต่ลักษณะของมันแม้จะแตกต่างกันบ้าง สุดแล้วแต่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามก็มีคุณสมบัติประการหนึ่งคือรู้สึกว่าจะไม่มีความชื้นอยู่ในก้อนดินเลยเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วปล่อยให้ร่วงลงไปก็จะรู้สึกว่าร่วงออกไปจากมือเหมือนกับสายแห้งๆเท่านั้นแต่เมื่อลงไปอยู่กับดินตามเดิมแล้วก็ดูปรากฏว่าเกาะกันแน่นดีไม่ร่วนเหมือนกับสายแห้ง ดังเช่นที่ร่วงพลูออกไปจากมือนั่นเลยส่วนสีก็มีแตกต่างกันตามพื้นที่ต่างๆกันแต่เท่าที่เห็นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีสีคล้ำหรือมัวอย่างดินในโลกมนุษย์เลยเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตมารู้สึกว่าสีของดินที่นี่ดูเหมือนจะผันแปรไปตามสีของหญ้าหรือดอกไม้ที่ขึ้นอยู่บนนั้นเสียมากกว่าในเรื่องดอกไม้นี้ ปรากฏว่าจํานวนหรือสีสันของมันนั้นโลกมนุษย์ไม่มีทางที่จะมาเปรียบได้เลยที่นี่มีดอกไม้นาน า, นาพันแต่ละอย่างล้วนมีสีสันวันนาะสวยสดงดงามทั้งสิน้นบางอย่างก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์และบางอย่างก็มีอยู่เฉพาะในโลกทิพนี้เท่านั้นทุกดอกอยู่ในสภาพที่บานสะพรั่งเต็มที่ และมันจะบานอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีเหี่ยวแห้งหรือโรยราตราบใดที่เขายังไม่ต้องการให้มันเหี่ยวแห้งไปกลิ่นหอมของดอกไม้เหล่านี้ฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศโดยรอบทาหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องบารุงกำลังแห่งดวงจิตของเราให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาความรักและความชื่นชมของเราที่มีอยู่ต่อดอกไม้เหล่านี้นั่นเอง ที่สามารถรักษามันไว้ได้ตลอดเวลานานเท่านานโดยไม่มีการเหี่ยวแห้งหรือเสื่อมสลายไปหากเราค่อยบรรจงกมดอกไม้นี้ไว้ในอุ้งมือเราจะรู้สึกว่ามีพลังชนิดหนึ่งคล้ายคล้ายกับกระแสแม่เหล็กไหลสร้างเข้าสู่ตัวเราเป็นพลังที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นและปลอดโปร่งยังบอกไม่ถูกในบรรดาดอกไม้เหล่านี้บางชนิด เราก็เก็บมาประดับบ้านของเราเช่นเดียวกับชาวโลกมนุษย์เหมือนกันและแม้จะถูกเด็ดมาจากต้นแล้วก็ตามมันจะคงความสดชื่นอยู่เช่นนั้นตลอดไปตลอดเวลาที่เรายังมีความต้องการมันอยู่ขณะใดที่เราไม่ต้องการจะให้มันอยู่มันก็จะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้จะไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยข้องความเหยวแห้ง หรือสรากข้องมันปรากฏอยู่ให้เห็นเลยเพราะในดินแดนเช่นนี้จะไม่มีเรื่องของความตายมาป่าวนอยู่ด้วยเป็นอันขาดเราจะเห็นแต่เพียงว่าดอกไม้ที่เราไม่ต้องการแล้วนั้นได้หายไปแล้วเท่านั้นเองขอย้อนกลับมากล่าวถึงเรื่องลักษณะของดินต่อไปอีกสักเล็กน้อยการเดินทางใกล้ภูมิต่ำเข้าไปทุกทีก็จะปรากฏว่า ลักษณะของเพื่อนดินค่อยๆสูญเสียความสดใสของสีและความละเอียดของเนื้อดินลงยิ่งขึ้นทุกทีโดยจะมีความเย็นชื้นหยาบกระด้างและสีเสียดลงจนในที่สุดก็จะกลายเป็นหินแข็งก้อนเล็กๆและต่อมาก็จะกลายเป็นหินก้อนใหญ่ขึ้นทุกทีต้นไม้ใบหญ้าตามแถบนี้หากจะมีบ้างก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองคล้ำและแห้งผกัก หาความสดชื่นไม่ได้เลยหากเราเดินทางขึ้นไปสู่ภูมิสูงสีของดินจะเพิ่มความสดใสเป็นประกายยิ่งขึ้นและเนื้อก็จะละเอียดยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนอกจากนั้นความหยุ่นหรือความอ่อนนุ่มก็จะรู้สึกชัดเจนยิ่งขึ้นทุกย่างก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าหากเราก้มลงดูโดยใกล้ชิดจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆเพชรพลอยฉะนั้น รูทและขพเจ้าเคยหยิบขึ้นมาดูกรรมมือหนึ่งแล้วลองปล่อยให้ร่วงไหลออกจากมือของเราทีละน้อยน่าแปลกประหลาดเหลือเกินที่ในขณะที่มเมล็ดของดินอันละเอียดร่วงพลูออกจากฝ่ามือของเราเป็นสายลงไปนั้นก็มีเสียงดังแว่วเบาๆเกิดขึ้นเป็นเสียงหลามไพเราะเหมือนเสียงดนตรีคล้ายๆกับว่ามเมล็ดของมันได้ถูกโปรยร่วงลงไป กระทบลิ้นเสียงของเครื่องดนตรีอันแสนละเอียดอ่อนอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นความจริงดังกล่าวมานี้อาจเป็นของประหลาดไม่น้อยในทัศนาของชาวโลกมนุษย์แต่โดยหลักแห่งปรากฏการณ์ของโลกทิพย์แล้วก็นับว่าเป็นของธรรมดาอย่างหนึ่งนั่นเองทั้งนี้เพราะเหตุผลดังที่เคยกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งว่าในที่นี้ สีกับเสียงเป็นธรรมชาติที่แยกกันไม่ออกจริงๆถ้าท่านจะทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดสีขึ้นท่านก็จะต้องได้ยินเสียงด้วยเสมอไปความสูงต่ำหรือความแหลมทุ่มของเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมจะผันแปรไปตามความเข้มหรือจางของสีชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองโดยนัยยะกลับกัน ถ้าท่านกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้บังเกิดเสียงเช่นเล่นเครื่องดนตรีเป็นต้นท่านก็จะได้เห็นสีปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญจึงสามารถใช้เสียงอันเกิดจากการบาเบล่งดนตรีของเขานั้นทําให้เกิดแสงสีสลับซับซ้อนกลมกลืนกันดุดสีทองอันรุ่งเกี่ยวประวัติกันไปมาได้อย่างน่าดูยิ่งในทํานองเดียวกัน นักร้องก็สามารถใช้เสียงของเขาเองสร้างแถบพ่งสีต่างๆให้เกิดขึ้นได้อย่างงดงามสีต่างๆที่เกิดขึ้นนี้จะมีความผ่องใสหรือบริสุทธิ์เพียงใดก็สุดแล้วแต่ความบริสุทธิ์ของเสียงของนักร้องผู้นั้นหรือของเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเป็นสำคัญตอนที่15การและอวกาศการชาวโลกมนุษย์โดยมาก มักเข้าใจว่าไม่มีการและอวกาศในโลกทิดท้งนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งในโลกเรามีการและอวกาศอยู่ทั้งสองประการแต่ก็มีสภาพความเป็นไปแตกต่างกันกับการและอวกาศในโลกมนุษย์อยู่บ้างในโลกมนุษย์การวัดเวลาเกิดขึ้นโดยถือตามกำหนดที่โลกหมุนรอบแกนข้องตนเองเป็นหลักต่อจากนั้น ก็แบ่งย่อยออกไปเป็นกลางวันกลางคืนชั่วโมงนาทีเป็นลำดับการแบ่งเวลาส่วนใหญ่ก็ถืออาการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นสำคัญและจึงแบ่งออกเป็นเดือนและปีตามลำดับสมัยต่อมาเมื่อมีผู้คิดประดิษนาฬิกาขึ้นได้ก็ทำให้การคำนวณเวลาละเอียดยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ในโลกชิปเราไม่มีนาฬิกาหรือเครื่องมืออย่างอื่น ที่จะวัดว่าเวลาได้ล่วงไปแล้วนานเท่าใดอันที่จริงถ้าเราจะต้องการให้มีขึ้นเมื่อไหร่ก็ยอมทำได้โดยสะดวกเพราะผู้ที่เคยเป็นนักประดิษฐ์หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความชำนาญในทางนี้มาแล้วก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นเช่นนั้นแต่อย่างใด ณที่นี้ไม่มีความมืดและความสว่างที่เกิดขึ้นสลับกันทำให้เกิดเป็นกลางคืนกลางวันขึ้นเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์นอกจากนั้นเรายังไม่มีฤ ด, ดูการต่างๆที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาโดยลำดับณที่นี้มีแต่ความสว่างอยู่ตลอดเวลาอากาศก็อบอุ่นสบายอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและนอกเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ร่างกายของเราไม่มีภาระหนักเหมือนดังเช่นร่างกายมนุษย์เพราะงานหนักที่จะต้องปฏบิบัติบำรุงร่างกายในเมื่อเกิดความหิวกระหายหรือเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียนั้นเป็นอันหมดไปแล้วโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้การตามความหมายอันเป็นที่เข้าใจของโลกมนุษย์นั้นจึงไม่ปรากฏในโลกทิพย์กล่าวโดยสรุปก็คือเราไม่ต้องมีความกังวลว่า เวลาจะผ่านไปแล้วมากน้อยเพียงใดอันที่จริงการหรือเวลาดังที่รู้สึกกันอยู่ในโลกมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องเปรียบเทียบทั้งสิน้นทั้งนี้หมายความว่าเราเอาใจของเราเข้าไปเกี่ยวก่อ ก, กับมันเราก็สมมติเอาว่าช้าบ้างเร็วบ้างสุดแล้วแต่กรณีตัวอย่างเช่นบุคคลที่ได้รับความทุกข์ทรมานหรือเจ็บปวดอย่างรุนแรงเพียงห้านาทีเท่านั้น ก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าเป็นเวลานานเหลือเกินโดยนัยยะตรงกันข้ามบุคคลผู้ที่ได้รับความสุขและเพลิดเพลินก็รู้สึกเหมือนว่าห้านาทีนั้นผ่านไปรวดเร็วมากคล้ายๆกับว่าเป็นห้าวินาทีเท่านั้นโดยนัยยะเดียวกันผู้อยู่ในภูมิแห่งความสุขในโลกทิพย์เช่นนี้ก็จะไม่รู้สึกเลยว่าเวลาได้ผ่านไปแล้วช้านานเพียงไร แต่ภูมิต่ำของโลกทิปสภาวะก็จะกลับกันเป็นตรงกันข้ามความทุกข์ทรมานอันใหญ่หลวงที่เขาได้รับอยู่ตลอดเวลานั้นจะทำให้เขารู้สึกว่าเวลาได้ผ่านไปอย่างช้าเลือเกินระยะเวลาปีหนึ่งของโลกมนุษย์นั้นเมื่อคิดตามความรู้สึกของผู้อยู่ในอบายภูมิแล้วก็มีค่าเท่ากับหมื่นปีหรือแสนปีทีเดียวเท่าที่กล่าวมานี้ ก็คงพอจะทำให้ท่านเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องเวลาของโลกทิพนั้นแม้จะมีอยู่ก็ห่างไกลกับระดับของชาวโลกมนุษย์มากทั้งสองแง่คือจะว่าช้าเหลือเกินหรือเร็วอย่างยิ่งก็ได้ทั้งสองประการสุดแล้วแต่ว่าจะกล่าวตามความรู้สึกของชาวโลกทิพภูมิใดและชั้นใดในบางกรณีพวกเราที่อยู่ในดินแดนแห่งความสุข ซึ่งแทบจะไม่รู้เรื่องความล่วงไปของเวลานี้ก็มีการนับเวลาเป็นวันเดือนปีกันเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์เหมือนกันแต่ทั้งนี้จะทำเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ทำการเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของมนุษย์โดยเฉพาะเท่านั้นเราจำเป็นต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อจะได้ดาเนินการติดต่อกับมนุษย์ให้ถูกต้องตรงตามเวลาของเขาแต่ก็มีบางท่านเหมือนกัน ที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีกิจการเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์โดยตรงก็าตามแต่ก็ยังใกล้จะทราบความเป็นไปของโลกมนุษย์เป็นครั้งคราวท่านเหล่านี้บางครั้งก็หาโอกาสมาเยือนโลกมนุษย์เป็นครั้งคราวเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างหรือเพื่อเยี่ยมญาติและมิจะหายบ้างท่านเหล่านี้เมื่อได้ทราบถึงเวลาที่ล่วงไปในระหว่างนั้นแล้ว ก็มักจะต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งในเมื่อได้พบความจริงอย่างไม่น่าเชื่อว่าเวลาแห่งความสุขของท่านที่ท่านคิดว่าเป็นระยะเวลาประเดียวเดียวในโลกทิพนั้นกลับเป็นเวลาที่นานเหลือเกินในโลกมนุษย์สำหรับตัวข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้จากโลกมนุษย์มาอยู่หน้าที่นี้ ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าได้ติดต่อกับโลกมนุษย์เพื่อแจ้งถึงสภาวะความเป็นไปของชีวิตหลังจากมรณกรรมแล้วให้ชาวโลกมนุษย์ทราบตามความสามารถเท่าที่จะทำได้นอกจากนี้ก็มีท่านผู้อื่นอีกหลายท่านผู้ซึ่งมีความประสงค์ในทานองเดียวกันท่านเหล่านี้ได้คอยสังเกตความเป็นไปของโลกมนุษย์อยู่ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ทางนี้เพื่อรอจังหวะที่จะมีเหตุการณ์สาคัญบางอย่างเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ซึ่งจะทำให้ชาวโลกมนุษย์ได้มีโอกาสทราบความเป็นไปหรือความจริงหลังจากความตายของเขาได้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยความจริงดังกล่าวมาท่านจะเห็นได้ว่าการหรือเวลานั้นก็มีความสาคัญอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในโลกทิพย์ โดยที่ความเป็นไปของโลกทั้งสองนี้ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดดังนั้นผู้ที่อยู่ในโลกทิพแต่ต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์อยู่เสมอก็มีความจําเป็นต้องกําหนดนับเวลาตามมาตรฐานของโลกมนุษย์อยู่เสมอเช่นในวันที่ยีสิบห้าธันวาคมเราก็มีการฉลองวันคริสต์มาสเช่นเดียวกับโลกมนุษย์ อันที่จริงวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้จะเป็นวันสมภพของพระเยซูจริงหรือไม่นั้นก็ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะยืนยันได้แต่เราก็ยังพอใจที่จะร่วมฉลองในโอกาสอันเดียวกันทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าความเป็นไปของเราจะต้องขึ้นอยู่กับชาวโลกมนุษย์แต่อย่างใดที่ทำเช่นนั้นก็เพียงเพื่อเป็นการร่วมมือหรือร่วมใจกัน ในโอกาสอันสำคัญยิ่งเท่านั้นเองในโลกมนุษย์เมื่อถึงวันกําหนดอันเป็นโอกาสสาคัญดังเช่นที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเกิดมีพลังจิตแห่งความเมตตากรุณาและความเลื่อมใสเกิดขึ้นอย่างมากมายผิดกว่าปกติในโอกาสเช่นนี้บุคคลเป็นจุนวนมากซึ่งปกติก็จะยุ่งอยู่กับงานการประจาวัน จนไม่มีเวลานึกถึงบุปผชนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นก็จะมีจิตปลอดปลงขึ้นบ้างชั่วคราวและจะหัวเราะลึกถึงท่านผู้ที่ได้จากมาสู่โลกทิพย์แล้วได้บ้างในอวกาศเช่นนี้บุคคลเหล่านั้นก็จะส่งความรักและคิดถึงไปยังท่านผู้ล่วงลับไปแล้วกระแสจิตของเขาเหล่านั้นจะมาถึงเราได้ทันทีซึ่งทางฝ่ายเราก็จะรู้สึกได้ และจะส่งกระแสะจิตอันเต็มไปด้วยความรักและคิดถึงและห่วงใยกลับไปให้แก่บุตรหลานของผู้ที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์นั้นด้วยเหตุนี้เมื่อมีโอกาสอันสําคัญเช่นนี้ใกล้เข้ามาพวกเราในโลกทิพย์จะพากันรับทราบด้วยความยินดีเพราะเรารู้ว่าชาวโลกมนุษย์จะได้มีโอกาสคิดถึงเรามากขึ้นกว่าเดิม และเราก็จะมีโอกาสส่งกระแสจิตไปเข้าได้อย่างมีผลยิ่งขึ้นกว่าเคยในโอกาสที่วันสำคัญเช่นนี้ใกล้เข้ามาเรามักจะได้ยินชาวโลกทิพย์บอกกันและกันว่าขณะ น, นี้วันสำคัญเช่นนั้นเช่นนั้นในโลกมนุษย์กำลังจะมาถึงแล้วทั้งนี้เพื่อเตือนให้บางท่านได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจไว้ร่วมรื่นเริงหรือส่งความปรารถนาดี ไปยังชาวโลกมนุษย์ด้วยมิเช่นนั้นบางท่านที่กําลังเสวยสุขอยู่หน้าที่นี้ก็อาจจะไม่ได้นึกถึงโอกาสเช่นนั้นก็ได้อันที่จริงในโอกาสอันสําคัญเช่นวันคริสต์มาสเป็นต้นนี้ในโลกทิพย์เราก็มีเรื่องที่จะได้รับความปีติยินดีเป็นพิเศษเหมือนกันโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับชาวโลกมนุษย์เลยกล่าวคือ ในวันอันสำคัญเช่นนั้นก็มักจะมีท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปลงมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอการปรากฏกายของท่านให้พวกเราได้เห็นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นลาภอย่างยิ่งแก่พวกเราเหมือนกันอันที่จริงความสา ม, มารถของเราในอันที่จะรู้เวลาตามมาตรฐานของชาวโลกมนุษย์นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคอยกาหนด นับวันเดือนปีไว้เหมือนอย่างมนุษย์ทั้งนี้เพราะตามปกติแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลยแต่ในขณะใดที่เราต้องการจะทราบก็อาจจะทราบได้ทันทีในเมื่อส่งกระแสจิตมาติดต่อกันตัวอย่างเช่นเมื่อเราทราบว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงผู้คุ้นเคยกับเรามาแต่เดิมจะต้องผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้เมื่อใด เรียกง่ายๆตามภาษาของชาวโลกมนุษย์ก็ว่าเขาจะต้องตายเมื่อใดแล้วเราก็สามารถจะรู้ได้ทันทีว่าระยะเวลานั้นจูนจะมาถึงแล้วหรื อ, อยังทั้งนี้ขอให้ท่านทราบว่าเราไม่ได้นับเวลาคอยท่าเอาไว้ดังที่ท่านอาจจะเข้าใจเช่นนั้นหาไมิได้เลยเรารู้ได้ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก็เพราะว่าเราส่งกระแสจิตไปเพื่อเห็นเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะและก็รู้ได้ทันทีว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดโดยไม่ต้องกำหนดนับเวลาเลยเท่าที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นนี้ก็เป็นความรู้ความเข้าใจของข้าพเจ้าเท่าที่อยู่ในภูมินี้เท่านั้นซึ่งหาได้เป็นความรู้ความสามารถที่สมบูรณ์อย่างใดไม่ เพราะยังมีท่านที่อยู่ในภูมิสูงกว่าข้าพเจ้าขึ้นไปอีกมากมายหลายชั้นนักแน่นอนทีเดียวความสามารถเหล่านั้นย่อมจะสูงกว่าข้าพเจ้ามากมายนักเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมาเราๆก็ปรากฏว่าท่านเหล่านั้นสามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนและยังสามารถก่ากกำหนดไว้อย่างแม่นยามอีกด้วยว่า เหตุการณ์เช e ่นนั้นเช่นนั <h <h ้นจะเกิดขึ้นแก่ผู <h <h ้ใดที่ไหนและเมื่อไรซึ่งอำนาจที่จะเล็งเห็นเหตุการณ์ในอนาคตในระยะไกลเช่นนี้ยังอยู่เกินวิสัยของข้าพเจ้าอย่างมากมายตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้กระทำจิตให้ปราณีตเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นภูมินั้นได้เสียก่อนแล้วก็จะไม่สามารถมียานอลึกซึ่งเช่นนั้นได้เป็นอนขาดอวกาศ เมื่อกล่าวถึงเรื่องอวกาศก็พอจะกล่าวได้อย่างกว้างว่าเรื่องอวกาศก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกทิพย์เหมือนกันแต่ก็เป็นไปในลักษณะแตกต่าง ก, กันกับโลกมนุษย์ทั้งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องการหรือเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองแน่นอนเหลือเกินอวกาศจะต้องมีอยู่ในโลกทิพย์ตัวอย่างเช่นเมื่อข้าพเจ้ายือนอยู่ที่หน้าต่างห้องชั้นบน ก็จะเห็นภูมิประเทศในลักษณะต่า ง, างๆไกลออกไปในระยะไกลข้าพเจ้าก็จะสามารถเห็นเมืองซึ่งมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตนอกจากนี้ภูมิประเทศที่เห็นโดยรอบก็เป็นเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์คือมีที่รากที่ดอนแม่น้ําลําทานและป่าเขาลําเนาไม้ไม่ผิดกับในโลกมนุษย์สิ่งเหล่านี้ ก็ต้องกินเนื้อที่เช่นเดียวกับสิ่งเหล่านี้ในโลกมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดเป็นของจริงๆจับถูกต้องได้ไม่ใช่เป็นเงาเงาทับหรือซ้อนกันแต่อย่างใดภูมิประเทศเหล่านี้จะไลยเห็นได้ไกลออกไปจนสุดขอบฟ้าและนอกเหนืออาณาเขตนี้ไปก็คงจะมีภูมิประเทศเช่นเดียวกันนี้แผ่ออกไปอีกไม่รู้สิ้นสุดข้าพเจ้าทราบดีว่า ข้าพเจ้าสามารถจะเดินทางไปในระยะไกลแสนไกลโดยไม่มีอะไรติดขัดระยะทางเหล่านี้กว้างขวางและยืดยาวมากกว่าระยะทางรอบโลกมนุษย์หลายต่อหลายเท่านักแต่ระยะทางอันไกลแสนไกลและพื้นที่อันกว้างใหญ่มหาศารเช่นนี้ก็เป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยของโลกทิพนี้เท่านั้นเองยิ่งกว่านั้นท่านผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไป ก็ยังได้เคยบอกแก่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะเดินทางข้ามเขตแดนของข้าพเจ้าไปสู่ภูมิที่สูงกว่าขึ้นไปอีกก็ได้ถ้ามีเครื่องคุ้มกันหรือมีผู้ช่วยเหลือดังนั้นจะเห็นได้ว่าอวากาศก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกันเมื่อกล่าวตามทัศนะของโลกมนุษย์ก็จะเห็นได้ว่าภูมิอันเป็นทิพย์เช่นนี้ อยู่เหนือวิสัยที่ชาวโลกมนุษย์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้ทั้งนี้เพราะการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนของชาวโลกมนุษย์จะต้องอาศัยยานพาหนะในรูปต่างๆเป็นเครื่องช่วยเหลืออยู่เป็นส่วนมากยกตัวอย่างเช่นในระยะทาง 1, หนึ่งพันไมล์การเดินทางในโลกมนุษย์จะต้องเสียเวลามิใช่น้อยแม้จะไปโดยยานพาหนะที่เร็วที่สุดอย่างใด ก็ต้องใช้เวลาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ในโลกทิพนี้ระยะทางไม่มีความหมายสำหรับพวกเราแต่อย่างใดเลยดังที่ท่านได้เคยทราบมาแล้วว่าณนะที่นี้กระแสจิตเท่านั้นที่จะครองความเป็นใหญ่อยู่โดยสมบูรณ์สถานที่ใดๆแม้จะห่างไกลเพียงใดก็ตามหากไม่เกินวิสัยภูมิของเราแล้ว เราก็สามารถจะดึกให้ตัวเองไปถึงที่นั้นได้ในฉับพลันโดยไม่ต้องเสียเวลาเลยในที่นี้ความเร็วของจิตเป็นเช่นใดความเร็วของกายก็เป็นเช่นนั้นเท่าที่กล่าวมานี้ท่านก็จะเห็นได้แล้วว่าแม้อวากาศจะมีอยู่จริงเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์ก็ตามแต่อํานาจจิตของเราได้ก้าวขึ้นสู่เหนืออํานาจของมันเสียแล้ว ในขณะเดียวกันการที่จะต้องใช้สิ้นเปลืองไปเกี่ยวกับอวกาศนั้นจึงเป็นอันหมดสิ้นไปด้วยในเรื่องเช่นนี้กล่าวโดยสรุปก็คือการอาวกาศทั้งสองประการนี้หากกล่าวตามทัศนะของชาวโลกมนุษย์แล้วจะว่ามีอยู่หรือไม่มีก็ดูเหมือนว่าจะได้ทั้งสองประการแต่สำหรับพวกเราแล้ว ย่อมเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงๆโดยแท้สิ่งที่ทําให้แตกต่างไปจากโลกมนุษย์ก็คือเราได้ก้าวล่วงพ้นสภาวะเช่นนั้นเสียแล้วโดวยสิ้นเชิงความเป็นอยู่ของเราจึงไม่ต้องถูกจำกัดด้วยสภาวะทั้งสองนั้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามมีข้อสาคัญอยู่ประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเวลากล่าวคือ ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องติดต่อกับโลกมนุษย์แล้วเราก็ถือเวลาเป็นเรื่องสําคัญเสมอโดยเหตุที่เราเห็นการเกิดขึ้นของเรื่องนั้นๆได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเราจึงสามารถติดต่อกับโลกมนุษย์ได้ในขณะที่เหตุการณ์นั้นๆกําลังจะเกิดขึ้นพอดีโดยไม่ผิดพลาดในเรื่องเวลาแต่อย่างใดแม้ว่าเราจะไม่มีนาฬิกา หรือกำหนดนับเวลาไว้อย่างชาวโลกมนุษย์ก็ตามตอนที่16ความรู้สึกครั้งแรกเมื่อได้ละทิ้งกายเนื้อมาคลองกายทิพโดยสมบูรณ์